สวัสดีน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะลุงช่วงนี้ก็กันยายนแล้วนะคะครับผมสาหรับคนที่เข้าไปไปปลายแล้วเนาะค่ะสำหรับคนที่รับราชการลุงถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานนะคะลุงครับผมลุงเป็นหนึ่งเดือนั้นไหมคะลุงอยู่เป็นนึ่ในนั้นไงเพราะฉะนั้นหลังเกษียณอายุราชการเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปไหคะลุงของลุงจะเปลี่ยนไปห ตรารับริงงานจะเปลี่ยนไปบ้างเนาะเพราะว่าเราเคยทำงานมาสามสิบห้าปีกับราชมงคลถูกไหมครับค่ะ <c oughs> นั้นก็เลยมันก็คงหนึ่งไม่ต้องขับรถออกมาก บ, <อ>บ้านละสองลุงย<น>ังกะ ต, ตื่นเช้าเหมือนเดิมไหมคะ <c oughs> อาจจะ <c oughs> ต้องื่นเช้าเห <ๆ S 1> มือนเดิมเ พ, เพราะว่าเออคนแก่ไมันเคยเคยตื่นมันก็ตื่นนะครับอืมค่ะ ก็อยากให้รลายๆที่ค่ะหลายๆที <B ilt ry> <c oughs> ่เขาก็มีมีการเรียกสังสั่งส่งท้ายขอบคุณนะคะสําหรับผู้เกษียณอายุราชการนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะถ้าเกษียณอายุราชการมาไม่รู้จะทาอะไรฟังรายการเราทั้งสองคนนะคะก็ผมได้เลยอืจิตวิทยาค่ะฟังลุงยุ้ยกับทีได้นะคะก็ทุกทุวันศุกร์เลยตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเป็นเวลาที่ผู้สูงอายุตื่นเหมือนกันนะคะลุงตื่นแล้วตื่นแล้วนะมีมี ขอพุณนิดนึงมีหลายคนเกิดมาบอกเราว่าเฮ้ยนี่ลุงอย่าตื่นมาเลยพ่อหนูตื่นมาฟังเลยตอนนี้ตอนนี้นดีใจมากเลยดีใจมากคุณพ่อเขาใช่ไหมคะพ่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขา <laughs> เห็นไหมเขาแฟนรายการเราสองคนก็ ก็เยอะพอสมควรนะคะลุงพอสมควรแต่ ส, ส่วนใหญ่จะ ค, ค่อนไปทางสูงอายุเพราะว่าเพราะว่ารายการของเราแต่เช้านี่นึงนะคะวันนี้ที่กริ่นมาทั้งหมดลุงเราจะพูดถึงในเรื่องของการทํางานค่ะลุงเออครับคือลุงกําลังจะเกษียณอายุราชการใช่ไหมคะตลอดการทํางานของลุงเนี่ยลุงต้องมีศรัทธาในการทํางานไหมคะก็ต้องมีนะะต้องมีเพราะว่า ศรัทธาแปลว่าอะไรก่อนดีไหมใช่ลุงว่าศรัทธาศรัทธาเนี่ยคืออะไรคะลุงศรัทธาศรัทธากิ้งคือความเชื่อมัน่นค่ะนะเป็นเรื่อของความเชื่อมัน่นความมั่นใจในในตัวบุคคลในสิ่งของในสถานการณ์หรือแม้กระทั่งศรัทธาในตัวเราเองอนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความศรัทธาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความศรัทธาในตัวเองไหมคะหมายถึงว่า มันคือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะสําหรับคนที่เขาไม่มัน<ด>่นใจในตัวเองเลยเนี่ยเขายังมีความศรัท ธ, ธาได้ไหมคะควรจะมีเลยแหละนะครับแต่ว่าหลายคนไม่มีเนาะนะครเพราะว่าหลายคนน้องทีคงเจอผู้คนมากมายเหมือนกับลุงเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆครั้งที่ชอบบ่นกับตัวเองว่าตัวเองว่าไม่ดีอย่างงู้อย่าง น, างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคุณเองยังไม่รู้สึกศรัท ธ, ธาในตัวคุณเองเลย ยังไม่รู้สึกว่าคุณมีข้อดีอะไรเลยอะ่ะมีแต่ข้อไม่ดีไม่ดีไม่ ด, มดีบนออกมาสมมตมินะคะลุงว่ามีใครให้เราทําอะไรสักอย่างหนึง่งเขามั่นใจมากเลยว่าเราจะทํามันได้สําเร็จในขณะซึ่งเราเองกับไม่มั่นใจอันนี้คือไม่ศรัทธาในตัวเองหรือเปล่าคะใช่ครับคนอื่นศรัทธาเราแต่เรากลับไม่ศรัทธาในตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถเท่ากันได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้คุณผู้ฟั ง, งสิ่งที่เราเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยเรากําลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าเรากําลังจะพูดถึงในเรื่องของความศรัท ธ, ธากับการทํางานนะ ค, คะคมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างรุ่งยุ้ยล่ะคะศรัท ธ, ธากับอะไรบ้างศรัท ธ, ธากับตัวเองศรัท ธ, ธากับงาน อ, อายุปา น, นี้อันแรกเลยเนี่ยนะครับคนแกๆ่ๆลุงลุงศรัทธากับกับกับสถาบันพระมหาการ์ศรัทธากับ สถาบันพระมห า, ากษัตย์แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ายัางไงก็คือคนโบราณนะา่ะนะครับก็เคารพูุนไว้ตลอดไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่<า>นะครับออมาทำงานแล้วก็ปัะานในหน่วยงานที่เราทำนะครับเพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนงานเลยเนาะอยู่กับราชงคนมาตลอดเลยสามสิบห้าปีอ<า>่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความศรัทธากับ กับหน่วยงานที่ตัวเองได้ทําอยู่นะครับสัทกานและเพื่อนร่วมงานได้ไหมสัารกับเพื่อนร่วมงานไหมคะกาลังถามเอแล่รวมถึงว่าได้ทํางานกับบุคคลซึ่งอใช่หลากหลายความสามารถที่แบบเก่งๆสู่รวมคนเก่งครูครูครูรุ่นลงคนเก่งจริงนะครับที่เราเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าคนราที่เรา ไปเจอกับคนเก่งๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลุงอันนี้คือเป็นต้องขอชมตัวเนิ้หนึ่งค่ะคือคือข้อดีของตัวเองคือจะเป็นคนที่รู้สึกว่าใครเก่งกว่าแล้วเราเราพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็หาข้อมูลจากเขาค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่น้ำ<ค>นเต็มแก้วเขาใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่า หลายคนมากที่เราสัมภาอย่างเอา ง, ง่ายๆกับคนที่กําลังคุยตรงเนี้ยน้องทีเนี่ยเราสัมภาทีาทด้วยกัาเราเรารู้จักกันมานาน<ะ>เราจําได้ว่าอ๋อเด็กคนนี้เป็นคนที่จัดจัดงานสัมมนาของมหาลัยอย่างูห น, อนีอย่างนั้นแล้วเราก็รู้จักกันมาตลอดใช่ไหมครับเก่งยังไงกล้องแค่วยังไงอันนี้เรารู้จักกันอืม ก็ถ้าทํางานด้วยกันมันก็ต้องศรัทธาซึ่งกันและ ก, กันเหมือนเหมือนมือนทีก็ต้องศรัทธาในตัวลุงเหมือนกันทีก็มั่นใจว่าลุงกับทีน่าจะทํางานด้วยกันแล้วทาให้งานมันมีประสิทธิภาพอะไรประมาณ น, นี้อาบอมลุงคะความศรัทธานี่มันอาศัยระยะเวลาไหมคะกว่าจะศรัทธาได้เนี่ยอืมมันมันพูดยาเหมือนกันเพราะว่าที่พูดบอกว่าพูดยาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปนั่งฟังวิทยากรพูดถูกไหมค่ะเราไม่รู้จักเขามา่ก่อนเลยบางที ทางคนทางฟังจะปอเขาฟังปุพอพอพ๊ฮ้ยคนนี้พูดดีจังค่ะให้ความรู้สึกมั่นใจเชื่อมั่นแล้วเวลาเขาพูดอะไรแล้วก็เราก็อ่าฮะอะาฮะตามเขาไปด้วยเนี่ยมันเลยทาให้เรารู้สึกว่าลุงมองว่านี่คือจุ ด, จดเริ่มต้นของเขาว่าศรัทธาละคือเราอาจจะดูความสามารถเขาถ้าเขามีความสามารถรเขาถ่ายทอดดีเราก็จะศรัทธาแล้วก็จะรู้สึกว่าชอบชื่นชมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในมุมตรงกันข้ามนะคะลุง แต่เขพูดซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยเช้าเช้าเนี่ยวิทยากรคนหนึ่งพูดสนุกมากฟังปุ๊บอยากกลับบ้านอจะได้ว่าเราก็อาจจะไม่ศรัทธาอ่าเราอาจจะไม่ไม่ชื่นชอบไม่ศรัทธาในตัวของอีกท่านหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาบางทีมันก็สั้นอย่างฟังวิทยากรที่ว่ามันแป๊เดียวเราก็จะรู้ละแต่ว่าถ้าเป็น ยาวๆ ม, ม, มีไหมคะ่ะก็มีถูกไหมครับบางบางทีเนี่ยเราจะต้องดูเวลาเหมือนกันนะดูระยะเวลาว่าแค่แค่นี้เขาได้สร้างสร้างให้เราเห็นและศรัทธาได้หรือยังค่ะเพราะบางคนเนี่ยน ะ, ะมันโดนโดนโดนฝังเอาไว้ด้วยด้วยเบื้องหลังว่าเออคนนี้ไม่ค่อยดีเลยคนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่กว่าเขาจะสร้างสร้างตัวเขาให้เห็นคุณค่าเนี่ย ถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยตรงนั้นหนาหนาเขาถึงบอกว่าบางทีศรัทธาเนี่ยมัน<ะ>สร้างได้แต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงเพื่อพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงถูกต้องเลยครับสําหรับคนปกตินะแต่สําหรับบางคนซึ่งเ<ห>ขาอาจจะได้ยินสิ่งที่ไม่ดีสมมุติว่าลุงทีได้ยินลุงมาไม่ดีเลยกว่าลุงจะทําให้ทีเห็นได้ว่าเฮ้ยลุงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันอาจจะต้องสัมผัสอาจจะต้องระยะเวลาประมาณนึงเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้บางที ทั้งชีวิตก็ยังไม่ศรัทธาคณนณมิถูกไหมคะเพราะว่าการที่คุณได้รับการการบอกกล่าวจากข้อมูลจะผิดหรือถูกไม่รู้ แ, แต่ว่าลุงยี่เป็นคนอย่างนี้อย่างวิคีโกงนะ้งนะโดนีนั่คนะคุณก็จะมองแต่อจุดนั้นพอเห็นมเมื่อไหร่ก็นี่ไงโกงอีกละนี่ไงโกงอีกละก็ครับวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของความศรัทธากับการทํางานแต่เราเกริ่นในเรื่องของความศรัทธาในช่วงแรกก่อนแล้วกันนะคะพักกันสักครู่กับคุณผู้ฟังแล้วมาต่อกับช่วงที่สองของรายการกันค่ะ ถ้าหาก o ัมองกลับมารู้ว่าเธอ ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงความศรัทธากับการทํางานนะคะลุงขา เ, เราจะมีวิธีการสร้างศรัทธากับการทํางานหรือว่าศรัทธาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทํางานของเราอย่างไรคะคืออันแรกเลยลุงมองไปที่ตัวงานก่อนเนาะค่ะแล้วคือตัวงานเนี่ยถ้าแปลว่าเรารับงานมาแล้วเป็นงานที่เราคุ้นเคย เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราเรียนมาตรงท้งนั้น น, น, น, นเอาอย่างลุงเงี้ยถ้าบอกว่าให้ลุงให้คำาบุกษาคนเงี้ยลุงจะศรัทธาในเนื้องานของลุงก่อนเลยว่าฉันต้องทำได้แล้วถึงจะมาศรัทธาตัวเองว่าเออหลังจากทาไปแล้วสักพักนึ่ตเรามาดูผลนานเออเราทำได้จริงๆต้องศรัทธาในตัวเนื้องานก่อนนะที่ลุงพูด่งนี้เพราะว่า มีหลายคนมากที่พอได้รับงานจากใครแล้วแต่พอเป็นงานใหม่ปั๊บจะเริ่มบ่นน้องตี๋เคยได้ยินไหมมันไม่มั่นใจหรือเปล่าคะอาจจะไม่เชิงบนว่เนี่ยได้มายังไม่มั่นใจว่าเราจะทําได้ได้ดีไหมจะทำเลยเนี่ยดูที่เนี่ยดู่ี่นั่นเห็นไหมครับนั่นคือคุณทระในงานนะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวงานต้องเป็นอันดับแรกนะครับอันดับต่อมาคือเป้าหมายของงานเป็นยังไงค่ะ ถ้าเป้าหมายของงานคือเราทําเพื่อประโยชน์กับคนส่วนรวมนั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายนะอันนี้เราจะรู้สึกอยากจะทําอำเราจะรู้สึกมีความศรัทธามากขึ้นอย่างน้องทีอย่างเงี้ยลุงมัน่นใจว่าเวลาที่เขาเชิญให้ไปพูดที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าน้องทีมีเวลาหรือมีโอกาสน้องทีพร้อมจะช่วยไหมก็พร้อมค่ะ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับ น, น้เหมือนนกันลึกๆอาจจะมีมุมที่ไม่มั่นใจบ้างแต่ก็จะรับปากรับคําเข้าไปถ้ารู้สึกรู้สึกว่าตัวเองทําได้ก็จะรับปากไปลึกๆอาจจะต้องใช้อะไรอะ่ะอาจจะต้องเรียนรู้อะไรหรือว่าอะไรที่เราขาดแล้วก็ไปเตรียมตัวอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะครับผมนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแหละนะลุงรับงานแต่ละงานปุ๊บเนี่ยพอได้งานมาปั๊บสิ่งแรกเลยคือหาข้อมูลทั้งนั้นที่บางทีก็<ล><ล>รู้แล้วนะครับ มันก็ต้องห า, หาเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะต้องหาเพิ่มเติมครับต้องหาเพิ่มเติมอืมแล้วทําไมคะลุงความศรัทธาเนี่ยมันถึงจําเป็นกับงานอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องศรัท ธ, ธางานก่อนเราศรัทธางานเราศรัท ธ, ธ า, นานตัวเราเอง<ะ>ถ้าเราควบคู่กันไปแบบนี้งานมันจะประสบความสํำเร็จใช่ไหมคะอ่าใช่เลยนะคันงานมันจะประสบความสําเร็จงานมันจะคนทำที่จะหนึ่งตัวคนทำเขา ม, มั่นใจค่ะ<า>สองมั่นใจในงานที่ ที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วคสามมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนฟังเราหรือว่าคนที่มาทํางานร่วมกับเราพอเห็นแค่สองสาอย่างเนี่ยเขาก็เริ่มจะศรัทธาลอืะและอีกนะเขาได้ลงมือทํากับเราด้วยแล้วมันไปได้สวยจริงๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นศรัทธาในตัวเขาด้วยว่าเออฉันก็ทําได้นะค่ะเห็นไหมครับขณะเดีวยวกันไอ้คนที่เป็นผู้นําเนี่ย ต้องย้อนกลับไปฟลิปแบ็กให้เขาให้คนที่ทำงานร่วมกับเรา ฟ, ฟังด้วยว่าเฮ้ยน้องเก่งนะอย่างงู้นอย่างงี้ให้กําลังใจเขาด้วยค่ะ <c oughs> ความศัทามันก็จะวนเวียนอยู่ในรูปของงานที่เราทํากันทั้งหมดอืม ค, ความความแตกต่างของศรัทธากับความเชื่อมันมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเคะลุงเราเชื่อมั่นกับสิ่งนี้มันมันคือความศรัทธาัไหมคะ เชื่อลุงลุงลุงอาจจะเข้าใจไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ลุงเข้าใจว่าความเชื่อคือค่อนข้างงมงายสำหรับลุงนะค่ะความเชื่อค่อนข้างงมงายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันมาพิสูจน์ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะถ<ช>้ารเรารับอย่าเช่นเกิดเกิดอ่าลุงขับรถของลุงเนี่ยแล้วเขามีมามองเห็นป้ายทะเบียนรถเนี่ย เพราะเขาบอกเฮ้ยวันน <So yeah> ั้นดูผ่านฟันแล้วเห็นรถแทงถูกเขาอาจจะฝันเห็นรถลุงไงเขารู้ไหมลุงไม่รู้หรอกลุงไม่รู้หรอกลุงไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาตรงนั้นไม่ได้เชื่อตรงนั้นค่ะสูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมันก็อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะพัฒนาไปเป็นความศรัทธาก็ได้ค่ะนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ศรัทธาก็ได้ ใช่ครับถูกต้องครับถ้าไม่เชื่อก็คือจะไม่ศรัทธาใช่ไหยคะมันต้องมาจากความเชื่อไหยคะ ม, มันเริ่มต้นจากความเชื่อไหมมันน่าจะเกี่ยวกันเหมือนกันนะคะลุงเอาง่ายๆสมมุติว่าคนที่ลุงจะไปเป็นพิธีกรกลุ่มเนี้ยไม่ชอบลุงเล ย, เยค่ะแล้วลุงเดินไปถึงขึ้นแต่เป็นพิธีกรปุ๊บพอบอกว่าขอเชิญขอคอนเสิร์ตะพงครับความรู้สึกไม่อยากฟังมันมา <c oughs> เยอะกว่า ใ่ครับเพราะนั้นความศรัทธาตรงนี้มันก็เลยไม่เกิดพอไม่เกิดปุ๊บพูดไปยังไงก็ไม่มีคนฟังพอไม่มีคนฟังมันก็ล้มเหลวในการพูดในครั้งนึ่งค่ะนะครับนั้นตรงนี้คือประเด็นประเด็นหลักเลยสุดหนึ่งคุณต้องศรัทธาในงานศรัทธ า, าในเป้าหมายศรัทธาตัวเองศรัทธากลุ่มเพื่อนคุณก่อนค่ะถ้าเราศรัทธากับทุกๆสิ่งลงุงเรามีศรัทธากับทุกๆสิ่งโดยที่ ปราศจากอคติอะชีวิตของอเราจะเป็นยังไงเคาลุงโอ้ยน่าจะมีความสุขเนาะนะครับเพราะว่าอะไรก็แ้่แต่ที่เราไม่ไปอคติของเขาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราจะได้ความรู้อีกเยอะแยะนะครับอย่าไปอย่าไปรู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่ก่อนเนี่ยเราจะได้อะไรอีกเยอะแยะค่ะนะครับอย่างเช่น หนังบางเรื่องน้องน้องทีชอบดูหนังไหมดูค่ะดูเป็นบางเรื่องที่ชอบอ่าบางทีพอเข้าไปแล้วเพื่อนเพื่อนน้องทีเชียอ่ะบอกว่าหนังเรื่องนี้สนุกหนังเรื่องนี้สนุกหลายหลายคนเข้าน้องทียังไม่ได้ดูหรอกถามความรู้สึกน้องทีก่อนเริ่มอยากดูไหมก็อยากดูนะคะคนนู้นบอกดีคนนี้บอกดีแต่พอถ้าทีไปดูราวนี่แหละมันจะดีไหมเราจะตัดสินเองถูกไหมครับค่ะ ถ้าเราไปดูเสร็จปุ๊บเราตาก่อนว่ามันดีจริงก็โอเคไปแต่ถ้าว่าไปดูแลทำไมพูดว่าดีจร ง, งแต่เราไม่ชอบเลยอ่ะอดีของเขาอาจจนะไม่ใช่ที่เราชอบใช่เพราะนั้นคาว่าศรัทธาในตัวคนแต่และคนมันต่างกันค่ะลุงถ้าอันนึงบอกะไรนิดนึงนะครับอันนึงที่ลุงพูดเสมอเลยคือเวลาที่ลุงไปเป็นวิวพรานที่ไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยบักจะค่อน ข, ข้างจะ แต่เชื่อมั่นในตัวลุงเนาะสิ่งที่ลุงกลัวที่สุดคือเรื่องที่ไม่จริงหรือว่าไม่ไม่เป็นความจริงหรือพิสูจน์ไม่ค่อยได้แล้วลุงพูดไปเนี่ยคนฟังเชื่อนะแล้วมันทำให้ผิดไงน้าพยายามจะไม่พูดอนเรื่องที่ไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยใช่ค่ะ วันหนึ่งค่ะลุงถ้าเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราศรัทธาทีศรัทธาในตัวลุงนะคะเชื่อทุกอย่างที่ลุงพูดมาตลอดวันหนึ่งได้รู้ว่าลุงเป็นคนไม่ดีแล้วที่คิดผิดมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือความเสียใจความเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหนักไหมคะเออมันความเสียใจมันจะหนักมันจะรู้สึกล้มเหลวมันจะรู้สึกเฟลเฟลผิดหวังมันหนักนะหนักนะนะครับเพราะฉะนั้น คือคนเราเนี่ยถ้าไปตั้งความคาดหวังกับใครไว้ถูกไหมครับยิ่งบวกความศรัทธาด้วยผลของมันก็คือมั่นใจมากเลยว่าเขาเป็นคนดี่คะแต่พอวันหนึ่งอยู่ๆมีข่าวว่าอ้าวลุงยื้ถูกจับค่ะใครบ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเว้ยนะครับมันจะมีสองสองความคิด น, นะบางทีค่ะคิดแรกคือไม่จริงเปล่าเฮ้ ที่รู้จักมาลุงไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมครับแต่อีกอันหนึ่งพอคือเเราเริ่มรับเป็นจริงปุ๊บสิ่งแรกที่คนเหล่านั้นจะพูดคืออะไรครับไม่น่าเลยเรามองคนผิดมาตลอดมองคนผิดมาตลอดถูกต์ตอนนี้ความรู้สึกเสียใจมันก็จะมีเยอะเยอะมากกว่าคนที่เราไม่ได้ศรัทธาอย่างเงี้ยนะคะลุงใช่ครับเพราะฉะนั้นจะศรัทธาใครก็ควรที่จะ คือศึกษาเออเผือ่อใ จ, ใจไว้ด้วยเพราะว่าคนเรามันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเขาอาจจะดีในมุมที่เราศรัทธาแต่เขาอาจจะมีมุมมืด น, นะลุงใช่ครับทุกคนมีมุมเนี่ยมีมุมนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาเขาก็ศรัทธาเป็นเรื่องๆได้ไหมคได้นะได้ออแต่ว่าคือถ้าภาพรวมเขาดีัดีด้วยเนี่ยมันก็มันก็ง่ายอือแต่ถ้าผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องหมายความว่าถ้าสําหรับเรื่องเนี้ยคนนี้เก่งจริงเหนต่อ ก็โ <g ül> อเคอย่างลุงพูดเหอยอ ว, ว่าลุงไปพูดที่ไหนเนี่ยคนฟังเยอะจริงต้องให้ลุงร้องะเพลงสิค่ะคนจะเดินหนี <c oughs> ออกไปหมด <c oughs> <c oughs> เดินหนีออกไปหมดเลยสุกต้องครับผมค่ะ <c oughs> ก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟัง <c oughs> เราพูดกันในเรื่องของความศรัทธานะคะเอามาพูดคุยกันว่าเวลาที่เราทํางานเราอาจจะต้องอาศัยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานจากงานผู้บังคับบัญชาใช่ไหมคะลุงหรือแม้กระทั่งศรัทธาในตัวเองนะคะ หรือความผิดหวังต่างๆที่เกิดจากการศรัทธาอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาพูด ค, คุยคุณผู้ฟังฟังกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในทุกๆวันศุกร์เลยค่ะลุงตีสี่ครึง่งถึงตีห้านะคะสําหรับวันนี้ดิฉันทีละวัน ด, ดียิ่งมีค่ะลุงยืนนภัทรพงศ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับ